50 languages. ชอบอยากวิรุฬพบรดาคุณอยากสูบบุหรี่ไหม உங்களுக்கு புகை பிடிக்க வேண்டுமா? คุณอยากเต้นรำไหม ค, คุณอยากไปเดินเล่นไหมคุณอยากไดินเลคุณอยากไปกเดินเล่นไหม உ ங ் க ள ுก் க ு ந ட க ் க ப นไหมคุณอยาดิล่นอยากยนุกอยาก่หุ่ எனக்கு புகை பிடிக்க வேண்டும் คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมคยากไปเดินเเิากอยากไเดิไหมกเาอยากไดไกไหม ன อ க ் க ு ல ை ட ்ท ர ் வேண்டும் ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยเย็นก์ก์เยดมคุริกะเวนด์ดมดิฉันอยากทานอะไรหน่อยเย็นก์ก์เยดมซอฟปิดะเวนด์ดมดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย எனக்கு சிறிது இ ุยเลยปอร์ะเว ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยเ ன นักกูุงกุลัยวัน க ักเกตกั்ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยเยนั உங்களிடமிருந்து ஒன்று வேண்டும் ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณน் க ள ு க ் க ு ஏதாவது செய்ய வ ி ர ு ப ் ப ப ் ப ட ு க ி ற รี்คุณจะรับอะไรดีคะ คุณจะรับกาแฟ் ன விருப்பம்? แมคคุณจะรับกาแฟไหมคะ உ ங ் க ள ร க ் க ு க ாไหมคะคุณจะรับกาแฟไหคุณจะรับกาหคะราคุณจะรับาแฟคะุณจะรับกาแฟคะคุณจะรับกจะรับาแรกาับกาจะับกาจะรับกรับกั บ, บาบกาแฟไหมคะคุณจะรับกาแ คุณต้องการรถแท็กซี่ไหมุงก๊ลกวอดอะไรบันดีเว้นดม้าพวกเขาอยากโทรศัรเเสารอาบัรก๊ลกตุเล่เพศิเกลโวอร์อาริปเซียเว้นดมกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด